ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่58นี่ก็มาต่อกันเรื่องความสุขความสุขที่พูดไปแล้วก็พูดถึงความสุขขั้นพื้นฐานชีวิตของคนทั่วไปตั้งเกี่ยวข้องอยู่ แต่แม้แต่ความสุขขั้นพื้นฐานมนุษย์ก็ยังปฏิบัติไม่ถูกก็ทําให้เกิดปัญหาทําให้เกิดโทษเกิดพิษเป็นภัยแก่นตนเองอันนี้ความสุขส่วนที่มนุษย์ยุคปัจจุบันนี้แสวงหากันมากจนกระทั่งกลายเป็นแนวทางหรือวิถีของสังคมไปเลยก็คือสามิศสุขสุขที่อาศัยอามิตรหรือสิ่งเสพหรือพกความสุขจากวัตถุ เลยพูดอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าการมาขนั่นเองจนกระทั่งยุคนี้มีชื่อว่าเป็นยุคบริโภคนิยมปัญหาต่างๆเราก็ได้พูดกันไปพอสมควรแล้วทีนี้การปฏิบัติในเรื่องของการมาขนี้ซึ่งจะเชื่อมไปสู่ความสุขอื่นๆก็คือว่าประการที่หนึ่งก็คือการปฏิบัติต่อตัว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 พวกสมเวชสุขนี่ก็เป็นเรื่องของวัตถุโดยธรรมชาติของมันเองก็มีสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งภายนอกมีลักษณะที่ต้องขึ้นต่อมันอย่างที่กล่าวแล้วเนืนผู้ที่ยังยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องรู้เท่าทันอย่างที่ว่าก็คือว่าปฏิบัติต่อมันให้เกิดโทษน้อยที่สุดให้ได้ความสุขแล้วก็มีทุกข์น้อย แล้วทุกในที่นี้ก็รวมไปถึงเวรไภกับผู้อื่นด้วยทุกแกตัวเองเวรไภกับเพื่อนมนุษย์สังคมแล้วก็การทำลายต่อธรรมชาติแวดล้อมอันนี้ประการต่อไปก็คือว่ามีสิ่งที่จะมาช่วยสร้างดุลยภาพให้เกิดความ รู้จักประมาณหรือความพอดีอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะมาช่วยและประการต่อไปก็คือจะหยุดอยู่เท่านี้พยายามพัฒนาชีวิตโดยเฉพาะก็ด้านจิตใจและด้านปัญญาเพื่อจะให้ได้มีอิสระภาพมากขึ้นมีความสุขที่เป็นอิสระเป็นไทยกับตนแล้วก็เข้าถึงความสุขที่ประนิ่ไปตามลําดับ ก็เข้ากับหลักที่พูดไปแล้วว่าวิธีปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกสี่ประการทีนี้เราก็มาดูเรื่องของวิธีปฏิบัติเท่าที่เราพูดกันมาแล้วนี่มีเยอะไปพูดแทรกอยู่ในเรื่อง ต, ง, ตงต่างๆหลายเรื่องก็เป็นเพียงว่าเอามาสรุปกันอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นไปนลักษณะที่เพียงแต่หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงคงไม่จาเป็นต้องอธิบายพิสูดาน อันนี้ที่พูดมาแล้วก็คือว่าหนึ่งก็อย่าสูญเสียแหล่งความสุขพื้นฐานสามประการหนึ่งก็คือว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นตามธรรมชาติทั่วๆไปทางด้านวัตถุแล้วก็สองก็คืออย่าสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์อย่าแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์จากสังคม แล้ก็สก็คืออย่าแปลกแยกจากกิจกรรมขอชีวิตของตนเองแล้วการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีการที่จะทําให้ได้รับประโยชน์จากแหล่งความสุขพื้นฐานสาประการนันก็จะไปสัมพันธ์กับการพัฒนาเรื่องความสุขขันต่ อ, ต อ, ตอไปเพราะว่าเวลาปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาคือสีสมาธิปัญญา ไปพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาในเมื่อพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้สิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องมันก็เลยโยงไปเองนีอย่างเราไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนมนุษย์สังคมธรรมชาติและกิจกรรมแห่งชีวิตของตัวเองถูกต้องมันก็ได้ ความสุขจากแหล่งความสุขพื้นฐานไปด้วยพร้อมกันนั้นก็พัฒนาชีวิตของตนเองพัฒนาจิตใจและปัญญาไปด้วยมันเลยไปด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยก็อาจจะยกมาพูดเป็นจุดสังเกตยอย่างเรื่องของการไม่แปตกแยกจากธรรมชาติแวดล้อมนี่ก็ยุคนี้ก็คนเห็นความสําคัญมากขึ้นว่ามนุษย์ยุคที่ผ่านมานี่ห่างเหินจากธรรมชาติแล้วก็ทําลายธรรมชาติทําไงจะให้ รักษาธรรมชาติไว้ได้นี่อย่างน้อยคนก็จะคิดในแง่นี้เพราะว่าอันตรายถึงตัวเพราะไปทาลายธรรมชาติอย่างน้อยก็กลัวอันตรายจะมาถึงตัวก็ต้องจําเป็นต้องรักษาธรรมชาติแต่ที่จริงมันไม่ใช่แค่รักษาธรรมชาติมันหมายถึงรักษาตัวเองด้วยรักษาตัวเองไม่ใช่เฉพาะในแง่ของภัยอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติแวดล้อมเสียแล้วมันทําให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตแต่หมายถึงว่าแม้แต่ความสุขด้วย พอรักษาธรรมชาติไว้ก็รักษาทำความสุขของตัวเองด้วยนี่การที่รักษาธรรมชาติได้ดีนี่ความจริงมันต้องโยงมาถึงจิตใจเขาก็บอกว่าจะรักษาธรรมชาติคืออนุรักษ์ธรรมชาติได้ก็ต้องให้คนรักธรรมชาตินี่จะทําให้คนรักธรรมชาติได้ยังไง ร, รักธรรมชาติมันต้องเกิดมาจาก ปัจจัยภายในคือถ้าทําถูกต้องตามเหตุปัจจัยแล้วความรักธรรมชาติมันเกิดเองอันนี้ตอนนี้ก็สอนกันให้รักธรม ร, กธรมชาติรักธรรมชาติแต่ถ้าไม่ทําเหตุปัจจัยของความรักให้ถูกความรักมันจะเกิดได้อย่างไงมันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะไปบังคับฝืนใจได้ความรักธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อคนเราเนี่ยมีความสุขจากการอยู่กับธรรมชาติ ถ้าคนเกิดมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติแล้วเขารักธรรมชาติเองเลยนั่นอย่างสอนเด็กสมัยเนี้ยการศึกษาว่าเอาน้ำมาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติเราต้องรักธรรมชาติถ้าทําไงจะให้รักธรรมชาติวิธีที่ดีที่สุดก็คือสร้างเหตุปัจจัยที่จะให้รักธรรมชาติก็คือว่าให้เด็กมีความสุขจากการอยู่กับธรรมชาติถ้าเขามีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติแล้ว การรักษาธรรมชาติการรักธรรมชาติก็เป็นไปเองเมื่อรักธรรมชาติแล้วการอนุรักษ์ก็ตามมามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องไปบังคับฝืนใจนี่ปัจจุบันเนี่ยวิถีของอริยธรรมมันทําให้คนเนี่อรักธรรมชาติได้น้อยเพราะว่าแต่ละคนมุ่งหวังสิ่งเเสพเอาสิ่งเสพให้กับตนเองแล้วก็ยิ่งมองธรรมชาตินี้เป็นที่มาของสิ่งเสพวัตถุที่จะมาบริโภค มันมองธรรมชาติด้วยสายตาที่จะไปเอามาจัดการนะีก็คือมองแบบเป็นสิ่งที่จะต้องทําลายหรือเบียดเบียนนั่นเองเนะี่ยชีเรียกว่าเอาชนะธรรมชาติเอาชนะในความหมายหนึ่งก็กลายเป็นกําจัดนะแล้วก็สร้างสิ่งที่ตัวเองปรารถนาที่จะมาบรบรลุความสุขนั้นทัศนคตินี้ มันเป็นทัศนคติที่มองธรรมชาติเป็นปฏิปักษ์เมื่อมองเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูมันก็รักไม่ได้แล้วก็เจอกันมันก็ไม่เป็นสิ่งที่จะทําให้มีความสุขบางทีสร้างค่านิยมกันถึงกับการที่ว่าถ้ามีธรรมชาติอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เจริญหเห็นธรรมชาติก็มองเป็นปฏิปักษ์มีความรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ย มาขัดขวางความสุขของตัวเองเลยก็มีในยุคหนึ่งเคยไปถึงขนาดนั้นอย่างถือว่าป่าต้นไม้เป็นเครื่องหมายของความเถื่อนของความไม่เจริญจะเจริญก็ต้องสร้างบ้านสร้างตึกสร้างถนนท น, นทางวัตถุเทคโนโลยีมากๆเน้ในใครมีป่ามีต้นไม้มากก็แสดงว่ายังไม่เจริญพอเห็นป่าเห็นต้นไม้ก็มีความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาทันที เป็นปฏิปักษ์จะต้องกําจัดนจะต้องสร้างเป็นคอนกรีตขึ้นมาแทนจึงกลายเป็นป่าคอนกรีตระยานั้นแม้แต่ตามวัดต่างๆก็เลยทำลายต้นไม้กันต้นไม้ที่เคยปลูกกันไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษ ก, ก็เลยมาหมดลงในยุค พ, พัฒนาเนี่ยเมื่อพศสองพนร้อยสามขึ้นมาเนี่ยหมดไปเยอะแยะเลยนี่ทัศนคติขานิยม ในความคิดวิถีชีวิตก็อยู่ในลักษณะนี้มาเป็นเวลายาวนานเวลานี้ก็มาถึงตอนที่คนเกิดความสำนึกว่าที่เป็นมาอย่างอั้นผิดทีนีก้ก็การปลูกฝังความรู้สึกความเชื่อความคิดนี้มันปรุงแต่งมานานดังนั้นก็เกิดความขัดแย้งในตัวคนก็ไม่ค่อยมีความสุขจากธรรมชาติเท่าไหร่ดันั้นก็จะต้องว่ากันใหม่ ก็ต้องสร้างทำให้เด็กนี่มีความสุขในการอยู่กับธรรมชาตินะอย่างที่ว่าแล้วนี่อย่างไปเห็นกระรอกหรือเห็นนกก็มีความสุขจากการที่ได้เห็นมันขยับขยื่นคลื่นไหวการบินการขยับมือเท้าน ะ, ะแล้วก็การที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศต้นไม้อะไรต่างๆเหล่านี้เห็นแล้วก็มีความชื่นชมมีความสุข ไม่ใช่ว่าไปเห็นกระรอกก็นึกถึงการที่จะเอามันไปลงหม้อกแกงแล้วจะได้กินอร่อยหรือว่านืไปเห็นนกก็นึกถึงอย่างเดียวกันว่าจะเอามาปิ้งมาย่างแล้วจะได้กินอร่อยก็เลยพอมองเห็นนกก็ไม่ได้มีความรู้สึกมีความสุขไม่มีความสุขจากธรรมชาติแต่มีความสุขจากการเสพซึ่งจะต้องไปเอา หนังสติกหรือไปเอาอะไรมาสักอย่างมาคว้างมายิงมาปา่ามาฆ่ามันนะอันนั้นก็เรื่องของการที่จะทำให้คนมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาตินสังคมไทยนี่จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเด็กไทยเราเจอนกปั๊บนี่จะไล่ป่าและวนะเจอก็รอกก็ไล่ขับเอาไม้คว้างความรู้สึกที่จะ ชื่นชมในความงามในความสวยงามมีความสุขกับธรรมชาติไม่ค่อยมีเนะีเป็นปัญหาอยู่เพราะนั้นอันนี้ต้องทาขึ้นก็ต้องเริ่มกันตั้งแตเ่เด็กๆกาให้เด็กมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติแวดลอ้อมก็ต้องให้ผู้ใหญ่นช่วยในการที่ชักจูงในทางอยู่ในสมรสิการให้เด็กได้เกิดความคิดรู้จักมอง มองเห็นความงามของมันมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่รู้จักพูดจากจาให้เด็กเห็นรู้สึกว่าพอเห็นพูดเห็นมองเห็นนกเนี่ยสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดไว้เนี่ยมันโยงไปหานะชีวิตของสัตว์ความเป็นอยู่และธรรมชาติไปล้อมที่สวยงามเด็กก็จะมีความสุขจากธรรมชาติได้นี่พอเด็กมีความสุขกับธรรมชาติเนี่ยแกก็รักธรรมชาติเอง เมรักธรรมชาติและการอนุรักษ์ก็ตามมา น, ะ น, นั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องไปคิดหาวิธีเทคนิคกันตอนนี้ก็มีคนเริ่มคิดหาทางกันเยอะมากขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยว่าไม่ให้มีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ที่มองว่าธรรมชาติแวดล้อมเป็นสิ่งขัดขวางความสุขของมนุษย์จะต้องทําลายหรือว่ามองในแง่ว่าจะต้องเอามันมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็มาผลิต เป็นสิ่งบริโภคนะโดยเข้าโรงงานอุตสาหกรรมแล้วจึงจะมีความสุขนะก็คือคติเรื่องเอากระรอกลงหม้อกแกงนี่แหละนะก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่เกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมก็ไปคิดใจละเอียดกันเอาแต่ทีนี้ด้านอื่นๆก็คือเรื่องของการสร้างดุลยภาพจากการหาความสุขด้วยการเสพ อันนี้หลักที่พูดมาแล้วก็โภชนีมตัญญุตาเนี่ยก็ชัดน น, นะโภชนีมัตัญญุตาก็คือการบริโภคด้วยปัญญาการที่มองให้เห็นว่าที่เราบริโภคสิ่งนั้นเช่นบริโภคอาหารหรือบริโภคใช้สอยเครื่องนุงหม่มโดยเฉพาะก็คือเริ่มจากอาหารเนี่ยบริโภคเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายอยู่ที่ไหน พอใช้ปัญญาพิจณาก็มองเห็นว่าความมุ่งหมายขางการบริโภคนั้นอยู่ที่การทําให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วเราจะได้เอาร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนี้ไปใช้ประโยชน์ไปดําเนินชีวิตที่ดีไปสร้างสรรค์ไปทําการอะไรต่างๆที่ทําให้ชีวิตจเจริญ ง, งอกงามยิ่งขึ้ น, นอันนี้พอมองอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้มาช่วยสร้างดุญยภาพ ทำให้การที่จะมุ่งบริโภคเพื่ออร่อยเพื่อบำรุงบำเรอยปลนเปลอตาหูจมูกลิ้นเนี่ยน้อยลงเบาบางลงอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆนะือถ้าเริ่มมีการศึกษาก็จะฝึกกันตั้งแต่ในบ้านก็ถ้าได้นี้แล้วก็ดุญยภาพเกิดขึ้นเยอะเลยเพราะเวลานี้คนกินอาหารนี่หนึ่งกินได้ตันหาเพื่อเสพรสอร่อย โดยเฉพาะบางทีพ่อแม่ก็ไปตามใจเด็กและปลนเปลือในเรื่องนี้นึกงว่านี่เป็นการรักลูกอันนี้คือการทําลายลูกมากกว่านะจะต้องชี้กันให้เห็นเลยว่าทําลายลูกอย่างไรถ้าไปตามใจลูกด้วยการปลนเปลือได้สิ่ง อ, อร่อยเพราะมันไม่ทาให้เกิดปัญญาเลยบริโภคด้โมหะจากแต่ว่าสนองตัญหาความปรารถนาเสพรสแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันไปสนองมานะ มานะก็คือการที่ยึดถือค่านิยมในการที่จะโก้เก๋ยิ่งใหญ่นะเด่นจะได้กินอาหารฝรั่งแล้วก็โก้อย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่คอือสนองมานะการกินอาหารที่สถานที่ที่โกเกนะ๋เป็นสร้างค่านิยมก็กลายเป็นว่าตัวเองก็สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็สนองกี่ไหคือมานะเกิด ค, ความภาคภูมิใจว่าโก้ แล้วเป็นโมหะคือความหลงไม่ได้ใช้ปัญญาและกลายเป็นเหยื่อของพวกนักโฆษณาของพวกหาเงินหาผลประโยชน์ใช่ไหมพวกนั้นก็สบายสิเอาพวกนี้เป็นเหยื่อโฆษณาเข้าไปว่าทีนี้ต่อไปกินที่นี่จึงจะโก้ต้องเองกินอาหารประเภทนี้จึงจะโก้อันนี้ตัวเองก็นึกว่าที่ทําอย่างเงี้ยโก้จริงๆภูมิใจน่ยแสดงว่าไปตามค่านิยมตามกระแส ข, ของความชอบใจ ไปตามเสียงชักจูงของผู้อื่นไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช้ปัญญานี้พอเราสอนให้เด็กเข้าใจว่าเออที่กินนี้กินเพื่ออะไรอย่างน้อยให้เขาถามตัวเองพีกันมีคําตอบมองเห็นได้ปัญญาว่าอ๋อที่กินอาหารนี่ที่แท้มันเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วจะไดเอาร่างกายไปใช้ประโยชน์ทําสิ่งที่ดีงามแล้วก็ดําเนินชีวิตที่ จะเลย ง, งอกงามยิ่งขึ้นไปพอแกมองเห็นอย่างเงี้ยนี่นแกเห็นเลยมันชัดมันถูกต้องมันเป็นความจริงเพราะแกเห็นว่าเป็นความจริงแล้วเราก็หนุนได้บอกว่าเนี่ยเห็นไหมการที่บริโภคเพื่อจุดมุงหมา ย, ยางนี้เป็นการกินได้ปัญญาเด็กจะมีความมั่นใจในตัวเองภูมิใจในการกินอย่างนี้แล้วแกก็จะไม่ตกไปใต้อํานาจค้านิยมก็จะช่วยทวงดุลได้เป็นดุญยภาพ อย่างการเสพ ร, รถการโก๋เก๋มันก็จะถูกควบคุมให้อยู่ในอัตราที่เบาลงหรือเกิดความพอดีขึ้นมาใ น, นการกินด้วยปัญญาก็เป็นการกินที่พอดีเพราะทำให้เกิดการพอดีในแง่หนึ่งก็ปริมาณของสิ่งเสพบริโภคพอดีกับความต้องการของชีวิตแล้วก็สองก็โดยประเภทของสิ่งที่บริโภคเช่นอาหารก็บริโภคสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ ก็ทําให้ประหยัดไม่สิ้นเปลืองประเด็นตัวก็เป็นการสนองความต้องการของชีวิตที่แท้ จ, จริงซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นความไม่ไม่ใช่เป็นการสนองความต้องการของอัตตาตัวตนที่เกิดจากตัณหานะอันนี้ได้ดุนยภาพแล้วนะนี่ก็หลักที่หนึ่งเรียกว่าโภชนีมัตตันยุตตาก็ขยายไปสู่เรื่องการใช้เทคโนโลยีเป็นต้นให้เด็กถามตัวเองหรือถามเด็กก็ได้ว่า อ้าอันเนี้ยประโยชน์ของสิ่งเนี้ยใช้เพื่ออะไรประโยชน์มันอยู่ที่ไหนแล้วก็เมื่อแกมีปัญญาแกรู้เข้าใจก็ทําให้ได้ตามวัตถุประสงค์นั้นมีความมั่นใจในตัวเองนันคนมีปัญญาก็หมายถึงมีการศึกษาขึ้นมาด้วยนี่ถ้าไม่มีปัญญาไม่บริโภคในปัญญาจะเรียกว่ามีการศึกษาได้อย่างไรนั่นปัจจุบันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าที่ทําทํากันอยู่นี่เป็นการศึกษาหรือเปล่า เอาละครับโพชณีมัตัยูตานี่ก็พูดกันไปเยอะแล้วนะแล้วก็มาทวนกันอีกก็เป็นตัวที่มาช่วยสร้างดุญยภาพในยุค ข, ของการเสริโภคนี้ได้ตัวนี้มาก็โช่วยโลกได้เยอะแยะแล้วนะทีนี้ต่อไปก็อะไรละ่ะข้อที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนามนุษย์ก็บอกแล้วว่ามนุษย์นี่เป็นอยู่ชีวิตประจาวันก็อยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็เรียนหลักมาแล้วว่าการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายนี้ใช้สองอย่างหนึ่งใช้เพื่อเสพสนองตันหาสองใช้เพื่อศึกษาสนองฉันทะใช่ไหมอันนี้คนที่ยังไม่มีการศึกษาเลยก็มีแต่ตันหาซึ่งตั้งอยู่บนฐานของอวิชชาก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเส พ, พเสพแล้วมีความสุขจากสิ่งเสพนั้น เพนี้สิ่งที่เจอเป็นวัตถุภายนอกก็มีสองแบบคือสิ่งที่ชอบใจกับไม่ชอบใจเจอสิ่งที่ชอบใจได้เสพก็มีความสุขเจอสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์นะก็เลยมีสุขทุกข์ที่วนเวียนอยู่กับเรื่องของสิ่งชอบใจไม่ชอบใจนี่ต่อมาเราพัฒนาเด็กขึ้นมาให้รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อการศึกษาคือเพื่อการเรียนรู้นะว่า ที่จริงแล้วชีวิตมนุษย์จะอยู่ดีได้นี่ก็คือการรู้จักสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอะไรคืออย่างไรมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราอย่างไรมันเป็นคุณเป็นโทษแกเราอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติตาอมันอย่างไรซึ่งการที่จะรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องดำเนินชีวิตได้ดีอย่างนี้มันจะต้องอาศัยปัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้โดยใช้ตาหูจมูกลิ้นถูกต้องเมื่อเราใช้ตาดูหูฟังเป็น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 ทวีขึ้นพัฒนาขึ้นเข้มขึ้นความสุขจากการเรียนรู้ก็มากขึ้นทุกทีมันก็มาช่วยสร้างดุญยภาพ ก, ก, การใช้ตาหูจมูกลิ้นเพืเสพแล้วก็ขยายมิติแห่งการมีความสุขตอนนี้เริ่มพัฒนาแหลนะนะแต่ก่อนนี้มีความสุขจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นเพื่อเสพอย่างเดียวตอนนี้มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้ใช้ตาดูหูฟังเพื่อผลเพื่อจุดมุ่งหมายใหม่ คือการเรียนรู้แหละแล้วทีนี้อย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่าการเรียนรู้นั้นไม่ขึ้นแต่สิ่งชอบใจไม่ชอบใจสิ่งชอบใจก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้ะฉนนั้นจากการพัฒนาในเรื่องของความฝ่รู้การใช้ตาดูฟังเพื่อการศึกษาก็เลยทำให้เด็กนี่พ้นจากวงจรแห่งสุขทุกขจากสิ่งชอบใจไม่ชอบใจกลายไปว่าสามารถมีความสุขได้จากประสบการณ์ทุกอย่าง ไม่ว่าชอบใจไม่ชอบใจเพราะมองในแง่การเรียนรู้แล้วมันไม่เกี่ยวกับชอบใจไม่ชอบใจการเรียนรู้นั้นเรียนจากประสบการณ์ได้ทุกอย่างยิ่งสิ่งที่ไม่ชอบใจก็อาจจะได้เรียนรู้มากด้วยนั่นก็เปิดช่องทางของความสุขเพิ่มขึ้นได้มาเอาความสุขชนิดใหม่ไปดุนยภาพกับความสุขจากการเสพด้วยและยังแถม ทำให้เป็นความสุขที่ plenid ที่เป็นอิสระมากขึ้นเพราะว่ามันพ้นจากวงจรแห่งความสุขทุกขจากความชอบใจไม่ชอบใจนะนี่คือความสุขจากการใช้ตาหูเพื่อการศึกษาเรียกว่าจะดูฟังเป็นดูเป็นฟังเป็นเป็นต้นดูเป็นฟังเป็นก็พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอันนี้ความอยากชนิดใหม่คือความอยากรู้ใยรู้นี้ก็เราก็เรียกว่าฉันทะใช่ม ในตอนเดิมก็ใช้ตาดูฟังเพื่อสนองตันหาคือการเสพตอนนี้ก็ใช้ตาดูฟังเพื่อสนองฉันทะคือความใฝ่รู้นี้ต่อมาก็บอกว่าพอพัฒนาความใฝ่รู้ขึ้นมาแล้วความรู้นี้จะทำให้เราก้าวไปสู่ความอยากความต้องการอีกขั้นหนึ่งคือเมื่อรู้แล้วจะสามารถแยกสิ่งที่อยู่ในภาวะที่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 แยกได้แล้วอยากจะให้มันอยู่ในภาวะที่ดีที่ควรจะเป็นพอเห็นสิ่งที่ไม่ดีบกพร่องนไม่เต็มไม่บริบูรณ์ก็อยากจะทำการแก้ไขทำให้มันดีให้มันเต็มให้มันสมบูรณ์ตอนนี้ก็เกิดความใ่ชนิดใหม่ความอยากชนิดใหม่หรือกว่าความใ่ดีความอยากให้มันดีพออยากให้มันดีก็เลยอยากทำให้มันดีเพราะว่า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 อีกขั้นหนึ่งความสุขขั้นนี้ก็คือความสุขจากการกระทำแต่เป็นการกระทำให้มันดีก็เลยเรียกว่าการสร้างสรรค์ก็เกิดมีความสุขชนิดใหม่ก้าวอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าความสุขจากการสร้างสรรค์เป็นการก้าวจากความสุขจากการศึกษาก็ต่อเนื่องกันความสุขจากการศึกษามาและความสุขจากการสร้างสรรค์ก็ตามมาอันนี้ความสุขจากการสร้างสรรค์ก็ มาทำให้คนนี่มีช่องทางมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วข้อดีของมันก็คือว่ามันทำให้การกระทามีความสุขซึ่งต่างกับฝ่ายเสพถ้าเด็กอยู่ในกาอยู่ในขั้นของการหาความสุขจากสิ่งเสพแกต้องได้รับการบรุงบำาเรอเป็นฝ่ายรับจึงจะมีความสุขถ้าแกต้องทำอะไรแกก็จำใจฝืนใจแกก็ทุกข์จนกระทั่งทำให้การกระทำนี้เป็นความทุกข์ไป การกระทาจะมีความหมายเป็นความทุกข์สำหรับนักเสพนี้พอมาเป็นนักสร้างสรรค์อยากจะทำอะไรแต่ละให้มันดีนี่การกระทากลายเป็นความสุขเมื่อกายกระทาเป็นความสุขการสร้างสรรค์เป็นความสุขเด็กก็จะเข้มแข็งเด็กที่เป็นนักเสพไม่อยากทำอะไรการกระทาเป็นความทุกก็จะออนแอร์ลงไปใช่ไ แล้วก็วนเวียนอยู่ในทุกข์เพราะว่าไม่สามารถจะสร้างสรรค์อะไรได้ก็จะต้องแย่งชิงอย่างเดียวต้องหาต้องเอาต้องรับต้องได้ตอนนี้สามารถเป็นผู้กระทํานทีนี้เราก็สามารถฝึกต่อไปอีกพอเด็กมีความไฝ่รู้ไฝ่ดีฝ่ศึกษาฝ่สร้างสรรค์มีความสุขแบบใหม่ขยายมิติขงความสุขออกไปแกก็สามารถมีจิตสานึกในการศึกษาจิตสานึกในการฝึกตนอีก พอเราสามารถพัฒนาถึงขั้นนั้นได้เด็กมีจิตสํานึกในการฝึกตนเด็กที่มีความฝ่ายสร้างสารรค์ชอบทําการสร้างสารรค์อยู่แล้วเจอสิ่งที่ทํายากแกก็ชอบแก่ก็มีความสุขจากการทําสิ่งที่ยากอีกนะตอนนี้ไม่กลัวความยากแล้วมีความเข้มแข็งขนาดที่ว่าสิ่งที่จะทําให้คนทั่วไปเกิดความทุกข์คนพวกนี้ไม่ทุกข์แนละ้วนี่กล้าไปอีกขั้นหนึ่ง สิ่งที่ยากสิ่งที่เป็นปัญหาคนทั่วไปนั้นเมื่อไม่ได้ฝึกก็แน่นอนว่าต้องเกิดความทุกข์แต่คนที่ฝึกแล้วพัฒนาแล้วเจอปัญหาเจอสิ่งที่ยากมีจิตสานึกในการฝึกตนมองเห็นว่าโอ้นี่เราจะได้ฝึกตนก็ชอบชอบก็เอาเลยพอทำเขาก็มีความสุขมีความยินดีได้เจอสิ่งที่ยากถึงขั้น มีจิตสำนึกในการฝึกตนก็มีความสุขในการทำสิ่งที่ยากเพราะว่ายิ่งยากยิ่งได้ฝึกตนเองมากนดีใจชอบใจมีความสุขตอนนี้สบายเลยโอกาสที่จะทุกข์ก็น้อยเหลือเกินลนะคนที่เป็นอย่างนี้ถ้าคนที่เป็นนักเสพไม่พัฒนาก็อยู่เท่าเดิมอยู่ขั้นพื้นฐานแกอยากเจอแต่สิ่งที่ได้ที่ชอบใจจะเสพท่านเดียวมีทุกข์เหลือเกิน แล้วไอ้สิ่งที่เสพนี่มันต้องเพิ่มปริมาณดีกรีด้วยมันเลยยิ่งลาบากสิ่งที่เคยให้ความสุขในปริมาณเท่านี้ดีกรีเท่านี้ต่อมาก็ไม่มีความสุขแล้วเกิดทุกจากการเบือนนายจากการรอคอยจากการไม่ได้ผิดหวังอย่างที่พูดมาแลนะ้วเนี่ยเยอะแยะและแถมมาจะต้องทําอะไรก็ทุกนะ่ะเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ทุกมันวุ่นวายไปหมดนะ่ะแล้วก็เจออ น, นิจจังทุกขงนะังหน้าตาสิ่งที่ตัว ได้มาครอบครองห่วงกังวลกลัวจะพัดพรากพอพัดพรากก็สูญเสียก็เกิดความทุกข์ยังไม่สูญเสียไปก็มีความหวาดหวั่นอะไรอีกมันทุกข์มันเยอะทีนี้พอเราพัฒนาเด็กขึ้นมานี่ตอนนี้หลายหลายช่องทางและมิติแห่งความสุขนี้ขยายไปเยอะเลยนะตอนนี้เรามีอะไรบ้างหรนะืเรามีหนึ่งสุขพื้นฐานเราไม่เสียจากแหล่งของความสุขของชีวิต คือธรรมชาติแวดล้อมเพื่อนมนุษย์แล้วก็กิจกรรมแห่งชีวิตแล้วก็มามีโภชเนมตะยุตาการบริโภคได้ปัญญาการบริโภคพอดีเข้ามาสร้างดุลยภาพแล้วก็มีการพัฒนาชีวิตใช้ตาดูหูฟังไม่ใช่เพียงเพเื่อเสพแต่เพื่อการศึกษาสนองความใฝ่รู้เสร็จแล้วก็พัฒนามาสู่การที่ว่ามีความสุขจากการสร้างสรรค์จากการทำสิ่งทั้งหลายคือการมีความสุขจากการกระทานั่นเอง มีความสุขจากการกระทําก็เข้มแข็งขึ้นมาแล้วมีจิตสํานึกในการศึกษามีความสุขแม้แต่ในเกิดจากการเจอสิ่งที่ยากสุขไปหมดนะอันนี้ต่อมาก็ในอันนี้กิจกรรมแห่งชีวิตก็ดีเป็นหมดอะตอนนี้จะโยงกลับไปหากิจกรรมแห่งชีวิตใช่ไหมเพราะการกระทําของเขาที่ทําให้เขามีความสุขนั่นเขาก็อยู่กับกิจกรรมในชีวิตของเขาได้สบายไปหนุนในข้อ น, นี้นี้อีกอันหนึ่งก็คือการอยู่กับร่วมกับเพื่อนมนุษย์ที่ว่า อยู่ได้เมตติ จ, จิตมิตรภาพมีความจริงใจไม่หวาดระแวงก็เป็นความสุขสบายอย่างหนึ่งทีนี้ก็พัฒนาต่อไปทว่ามนุษย์อยู่กับสิ่งเสพคิดจะได้จะเอาก็มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มีความหวาดระแวงเพราะกลัวการแย่งชิงกลัวได้เปรียบเสียเปรียบอยันนี้ก็เราก็พัฒนาว่าอย่าเอาแต่คิดได้คิดเอาให้คิดให้ด้วย ก็มาพัฒนาในเรื่องทานกั น, นจากการที่มนุษย์อยู่กับวัตถุแสวงหาวัตถุมุ่งจะได้จะเอาก็เลยให้มีด้านการให้เข้ามาดุลยภาพพอมีการให้คิดจะให้ก็จะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเข้าใจมองเห็นสุขทุกข์ของผู้อื่นก็เอื้อต่อการที่จะเกิดคุณธรรมคือเมตตากรุณาตอนนี้เมตตากรุณาก็มา ความเมตตากรุณาก็เป็นการอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยากช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์พอมีตัวนี้ขึ้นมาก็จะทําให้เราให้ด้วยความสุขการให้กลายเป็นความสุขมนุษย์ก็จะมีความสุขจากการให้อีกจิตใจของผู้มีความสุขจากการให้ก็เป็นประดุจจิตใจของบิดามารดาที่รักลูกรักลูกให้แก่ลูกก็มีความสุขนะนี้พอมีความรักเพื่อนมนุษย์มีเมตตากรุณาให้แก่เพื่อนมนุษย์ ก็มีความสุขต่อไปพัฒนาคุณธรรมอื่นเช่นศรัทธาเชื่อทราบซึ้งในคุณค่าของการทำความดีเห็นว่าการบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บารุงพุทศาสนานี้ช่วยให้โลกมีสันติสุขเป็นการดำรงธรรมะไว้แก่สังคมมองด้วยปัญญาเห็นกว้างไกลขึ้นมาเพราะเกิดศรัทธาไปมีการให้ไปช่วยเหลือบาเพ็ญประโยชน์ หรือไปบำรุงกิจการที่เป็นกุสลส่นบำรุงพุทศาสนาก็มีความสุขอีกใจิตใจก็มีความสุขจากการให้นั่นะคุณธรรมที่พัฒนาตอนนี้ก็ทําให้เรามีความสุขจากการให้มนุนในการอยู่ร่วมสังคมให้อยู่ได้ความสุขยิ่งขึ้นมนุษย์ก็จะไม่แปลกแยกอย่างเพื่อนมนุษย์เด็กกันแต่นะถแถมมีความสุขมากขึ้นจากการอยู่ร่วมด้วยตกลงว่าเราก็ได้ความสุขอีกแหล่งหนึ่งก็คือจากทานคือการให้ โยงไปหาคุณธรรมในใจคือเมตตากรุณาก็พัฒนาไปพร้อมกันด้านนอกพัฒนาฐานคือการให้ด้านในพัฒนาเมตตากรุณาีนะ่ปเป็นคุณธรรม mm hmm. ก็เยอะแล้วเนี่ยนะครับทีนี้ต่อไปก็ยังมีการฝึกอีกว่าเอาฝึกยังไงฝึกว่าให้เป็นผู้ที่ว่าสามารถมีความสุขได้มากจากวัตถุน้อยๆเออแต่ก่อนนี้ก็ ต้องมีวัตถุเสพมากที่สุดจึงจะมีความสุขมากที่สุดต่อมาก็มีดุลยภาพเอาไม่จะเป็นตั้งเสพมากเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายเป็นโทษทั้งแก่ชีวิตและแก่สังคมและก่ธรรมชาติแวดล้อมแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในขั้นเสมอตัวทีนี้ก็พัฒนาต่อไปสิพัฒนาการที่ว่าเราเก่งสามารถมีความสุขได้มากด้วยวัตถุน้อยนี่เป็นความสุขในด้านวัตถุ อันนี้หลักนี้เรียกว่าสันโดษสันโดษก็คือความพอใจในสิ่งที่มีที่ได้มีได้มาเท่าไหร่มีความสุขได้เท่านั้นวัตถุเนี่ยพอเพียงจําเป็นกับการมีชีวิตอยู่ถ้าใช้วัตถุน้อยมีความสุขได้มากหรือว่าสามารถมีความสุขได้โดวยวัตถุน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นก็เป็นความมักน้อยไปเลยเรียกว่าอภิ ช, ชาตานะก็ไม่ต้องการเกินจําเป็น ถ้าสันโดษนี่ยังเอาแค่ได้ทลายก็ยินดีเท่านั้นอันนี้อันนี้ก็จะได้ประโยชน์พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขาแทรกเข้ามาว่าเรื่องความสุขก็ต้องระวังวบอกแล้วพระพุทธเจ้ากระตัดบอกว่าแม้ในความสุขที่ชอบธรรมก็อย่าได้ไปสยบหลงหมัวเมาใช่ไหมไปติดไปหลงตอนเนี้ย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 ทำให้เกิดความเสื่อมเพราะนั้นสันโดษที่ไม่มีความสัมพันธ์กับธรรมะข้ออื่นที่จะก้าวต่อไปก็เป็นตัวความประมาทไปพราะ น, นั้นพระปุเจา้าวาจัดเรื่องสันโดษว่าเป็นความประมาทได้เพราะไปสันโดษในได้แง่อะไรเพราะไปสันโดษในกุศลธรร ม, มเอง <c oughs> แต่สันโดษในวัตถุเองมันก็ไม่ได้เสียหายแต่ว่ามันไม่ไปต่อเชื่อมเป็นปัจจัยแห่งการ พัฒนาชีวิตหรือเพียรพยายามเข้าถึงสิ่งที่ดีงามเพราะตอนนี้ก็เลยต้องเอาสันโดษ ไ, ไปโยงกับเรื่องกิจกรรมแห่งชีวิตเลยนั้นด้านหนึ่งสันโดษนั้นทําให้เรามีความสุขง่ายด้วยวัตถุน้อยถ้าพูดง่ายๆว่าสันโดษทําให้สุขง่ายด้วยวัตถุน้อยเพื่ออะไรก็เพื่อได้ออมเวลาแรงงานและความคิดเอาไว้ เพราะว่าเมื่อสะโดุด้วยวัตถุสิ่งเสพเราก็ไม่ต้องไปมัวคลุ่นคิดไม่ต้องไปมัวเที่ยวทะยานรินดิ้นโลนแสวงหาสิ่งเเสพเนีเราไม่ต้องไ ม, ไม่เสียทั้งเวลาแรงงานและความคิดในการไปแสวงหาวัตถุเสพเราสุขง่ายด้วยวัตถุน้อยวัตถุเท่าที่มีเราสุขแล้วเราก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นไปทุ่มเทให้แก่การทําสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่ากุศลธรรม อันนี้สันโดษก็จะมีประโยชน์เป็นตัวเชื่อมเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตเป็นสันโดษที่ไม่ลอยไม่หยุดไม่ขาดตอนไม่ตันเนี่ยถ้าเป็นสันโดษชนิดที่ว่าโอ้มีวัตถุแค่นี้ฉันก็สุขแล้วสุขและ ส, สบายก็เลยนอนก็เป็นสันโดษขี้เกียจเป็นสันโดษประมาทเป็นเป็นโทษเนี่ยอั น, นี้สันโดษที่เป็นคุณก็อย่างที่ว่าสุขง่ายในวัตถุน้อยเสร็จแล้วก็เอาเวลาแรงงานและความคิดที่ออมไว้ได้นั้น ไปอุทิศทุ่มให้แก่การทาสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่ากุศล ธ, ธรรมต่อไปก็ไปรับกันการเรื่องความไม่สันโดดในกุศลธรรมก็ไปรับกันเรื่องฉันทะความใฝ่รู้ใฝ่ดีนะแล้วก็รับกันเรื่องของการมีจิตสานึกในการศึกษาพอรับกันดีก็ทีนี้ตัวมีงานมีการอะไรมีหน้าที่สิ่งที่ดีงามที่จะทำก็เลย เอาเวลาแรงงานและความคิดที่สงวนได้จากการสันโดดในวัตถุนี้ไปทุ่มเทให้กับการทํางานทําการทําหน้าที่ของตัวเองนี้ทํางานทําการด้วยจิตใจที่รักมีความใฝ่ดีมีฉันทะรักงานนั้นด้วยและทําใจก็ไม่ห่วงไม่กังวลกับเรื่องวัตถุเสพด้วยก็เลยมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการทําการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงาม งานก็เลยได้ผลด้วยจิตใจก็เป็นสุขในการทำงานด้วยเลยได้อีกอันหนึ่งเพราะนั้นสันโดษนี้ก็จะเชื่อมสองอันเข้าด้วยกันคือหนึ่งได้ความสุขจากวัตถุแม่น้อยเท่าที่มีสองทำให้ไปมีความสุขจากการทำการสร้างสรรสิ่งที่ดีงามทำกิจการงานหน้าที่ได้สองเลยแล้วประโยชน์ก็คือการเบียดเบียนกันน้อยลง แล้วพร้อมกับนั้นก็มาช่วยสร้างสารรค์สังคมด้วยการทํากิจการงานหน้าที่ได้ผลด้วยนะัสันโดษนี่เป็นตัวเชื่อมนะเป็นตัวฝึกที่สําคัญแต่ว่าเป็นทั้งในแง่ของการได้สุขจากวัตถุแม้น้อยแล้วก็เป็นตัวหนุนการทําสิ่งที่ดีงามทําการสร้างสรรค์ให้ได้ความสุขจากด้านนี้ด้วยแต่ผลประโยชน์แก่สังคมหรือส่วนรวมก็เกิดขึ้นมาด้วย นี่ก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งปเป็นอาวุาสันโดษนี้ทั้งช่วยในแง่ของการสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งเสพทั้งช่วยในแง่หนุนความสุขจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเองก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะทีนี้เอาแล้วเรื่องสันโดษนี่เคยพูดไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องมาพูดมากอีกพอพูดไปก็อดไม่ได้คอยจะลงไปในรายละเอียดมากเกินไป อันนี้พอสันโดษมาช่วยแล้วเราก็พัฒนาไปได้ทีนี้ก็พระพุทธเจ้า ก, ก็สอนแล้วให้ไม่สันโดษกุศลธรรมก็ไปเร่งสร้างสรรค์กุศลธรถถรถถทมทําความตีงามมีความสุขจัดการประเพณิกุศลธรรมในการพัฒนาชีวิตทั้งศีลสมาธิปัญญาก็พัฒนากันใหญ่ทีนี้ก็ต่อไปก็เข้ามาสู่ภายในบ้างประสันโดษนยังคาบเกี่ยวโยงระหว่างภายในภายนอกเพราะเป็นความสัมพันธ์กับวัตถุด้วย อันนี้ความสุขยังไม่หมดพัฒนาต่อไปก็ความสุขจากศักยภาพของมนุษย์ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ในการปรุงแต่งซึ่งสัตว์ทั้งหลายอื่นไม่มีสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่มันอยู่ยังไงก็อยู่งั้นตามธรรมชาติเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นแต่มนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์มีความสามารถในการปรุงแต่งในการประดิษฐ์เพราะฉะนั้นแกก็คิด สร้างสรรค์สิ่งโน้นสิ่งนี้ทําให้วัตถุเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีเป็นอารยธรรมเป็นสิ่งก่อสร้างประดิษฐกรรมอะไต่างๆเยอะแยะไปหมดนะเป็นโลกของมนุษย์ขึ้นมานี่เกิดจากความสามารถในการประดิษฐ์และปรุงแต่งสร้างสรรค์นี่การประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์อันนี้มาจากไหนก็มาจากความคิดนั่นเองนี่ความคิดด้านหนึ่งของมนุษย์นั้นมาประดิษฐ์ปรุงแต่งวัตถุภายนอกเพื่อจะช่วยให้การเป็นอยู่ของตนเองนี้ ได้ปลอดภัยสะดวกเกอหนุนเป็นปัจจัยแห่งการมีชีวิตที่ดีงามที่ขึ้นแต่อีกอันหนึ่งก็คือมาประดิษฐ์สิ่งสําหรับเสพบํารุงบําเรลตัวเองไอ้ตรงเนี้ยในการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสารรค์วัตถุเนี่ยมนุษย์ก็แยกกันไม่เคยออกระหว่างสองอย่างว่าแค่ไหนจะเป็นการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพื่อมาเป็นปัจจัยแห่งชีวิตที่ดีงามแค่ไหนจะเป็นการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพียงเพื่อมาสร้างสิ่งเสพบํารุงบำโลตัวเอง เมื่อมนุษย์แยกไม่ได้อย่างนี้ไอ้จุดเด่นมันก็จะไปอยู่ที่การประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรเพื่อหาสิ่งเสพบำรุงบำรเลอตัวเองเพอไปอย่างนี้ลัทธินิยมบริโภคก็เจริญงอกงามต่อไปมนุษย์ก็เสื่อมเพราะว่ามนุษย์ก็กลายเป็นนักเสพใช่มความเป็นนักสร้างสรรก็จะหมดไปเพราะว่าไม่ได้ไปพัฒนาตัวเองก็ไปสนองความอยากความปรารถนาในวัตถุ นี่ก็คือวงจรของสังคมที่ว่าทําไมเจริญแล้วก็เสื่อมแต่ก่อนนี้ขาดแคลนนะทําให้ตัวเองต้องคิดค้นหาทางประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพื่อจะให้มีปัจจัยมาช่วยให้ชีวิตอยู่ได้ดีนะก็เลยทําให้เจริญงอ่งงามต่อมาไปคิดว่าการประดิษฐ์สร้างสรรปรุงแต่งนี้เพื่อจะได้มีสิ่งเสพให้มากกลายเป็นนักเสพก็การสร้างสรรค์ก็อ่อนกําลังลงไป นี่ตกลงมนุษย์ยุคปัจจุบันนี่ก็แยกมันไม่ใคยออกอันนั้นถ้าแกแยกออกแกก็จะหันไปสร้างสารรค์ประดิษฐ์เพื่อให้วัตถุที่ได้เจริญงอก ง, งามขึ้มานี่ได้มีได้เพิ่มผูนขึ้นมาเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแกการมีชีวิตที่ดีงามและการสร้างสารรค์ให้สังคมนี้อยู่ดีมีสันติสุขไม่ใช่เป็นการที่ไป สร้างสารร์ประดิษฐ์เพื่อจะได้มีสิ่งเสพมาบำรุงบำเรอตนเองใช่ไหมเนี่ยจุดแยกที่สําคัญอาทีนี้อันนั้นอหนึ่งแล้วก็แปลว่ามนุษย์นี่จากความคิดความสามารถในการปรุงแต่งประดิษฐ์สร้างสารรค์ก็มาประดิษฐ์วัตถุปัจจัยภายนอกเป็นวัตถุปจัจจัยหรือเป็นวัตถุสิ่งเสพลงแยกเป็นสองสั์นะฮะสร้างสารรค์ปัจจัยแห่งชีวิตที่ดีงามก็สร้างสารรค์สิ่งเสพสิ่งบริโภคบำ ร, รุงบำเรอเนี่ยสองอย่างเนี่ย ถ้ามองในแง่พุตสัสนาต้องสร้างปัจจัยไม่ใช่สร้างสิ่งเสพไม่ใช่ ส, สิ่งไม่ใช่สร้างสิ่งบำรุงเลิศทีนี้ยังไงก็ตามอันทั้งทั้งทงสองนี้ก็ยังเป็นข้างนอกอยู่แต่ว่าอันที่สร้างวัตถุภายนอกเป็นปัจจัยเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับข้างในได้พอเราสร้างวัตถุประดิษฐ์ภายนอกให้เป็นปัจจัยนี่มันก็ไปนหนุนการพัฒนาชีวิตในด้านภายในการแสวงหาปัญญาการพัฒนา จิตใจให้ดีงามให้มีความสุขขึ้นมานี้ในด้านภายในจิตใจเราก็มีการปรุงแต่งการปรุงแต่งภายในในตอนนี้แยกระหว่างการปรุงแต่งภายในกับภายนอกคิดปรุงแต่งมาสร้างสรรค์วัตถุปัจจัยสิ่งเสพในด้านหนึ่งนี้ภายในก็คือการปรุงแต่งสุขทุกข์นี้เองมนุษย์ก็มีความสามารถอันนี้ด้วยมนุษย์ก็จะมีการปรุงแต่งจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ปรุงแต่งกุศลธรรมอกุศลธรรมปรุงแต่งความสุขและความทุกข์ทีนี้มนุษย์ที่เพ่งมองไปข้างหน้าข้างนอกในการหาสิ่งเสพบำรุงบำรเรอตัวเองก็จะไม่ได้พิจรารณาไม่รู้จักแยกแยะว่าตัวเองไม่ได้เอาใจใส่ว่าในเวลาเดียวกันภายในจิตใจตัวเองในตัวเองปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งสุขหรือปรุงแต่งทุกข์ เมื่อไม่เอาใจใส่ปรากฏว่าคนส่วนมากนี่ปรุงแต่งทุกขนะทั้งทางที่ความสามารถปรุงแต่งได้ทั้งสุขทั้งทุกแต่แก่ชอบปรุงแต่งทุกแกก็ปรุงแต่งเรื่องความคิดที่ประกอบด้วยตันหาวปาทานนะความอยากสนองความต้องการในการเสพความยึดสําคัญมั่นหมายในสิ่งต่างๆ เกิดเป็นความห่วงความกังวลความหวาดระแวงการกลัวจะเสียผลประโยชน์การกลัวจะแพ้เขาการกลัวว่าจะอะไรต่างๆมากมายนะการกลั ว, วตัวเองจะไม่ได้นะี้จะไม่สําเร็จแล้วก็เกิดความเครียดนะความกังวลความกลัดกลุ้มใจแล้วก็รับสิ่งอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูก อะไรก็ตามที่มันกระทบในทางไม่สบายใจเก็บมาแล้วก็เอามาปรุงแต่งเวลามันนั่งเงียบก็ไม่แม้แต่เวลานอนบางคนก็ไปเก็บเอาแต่อารมณ์ที่มันกระทบกระทั่งและไม่สบายใจเนี่ยมาคิดปรุงแต่งตอนนี้ความสามารถปรุงแต่งนี้ก็เอามาใช้ในทางที่ปรุงแต่งทุกข์ก็ปรากฏว่าคนจนํานวนมากที่ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองไม่รู้ตัวข้างนอกตัวเองก็ประดิษฐ์ ปรุงแต่งสร้างสารควัตถุเสพไอข้างในใจก็ปรุงแต่งทุกคู่กันไปไอข้างนอกก็จะหาสุขจากสิ่งเสพไอข้างในก็ปรุงแต่งทุกให้ตัวเองอยู่เรื่อยเลยตลอดเวลาคู่กันเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเป็นอย่างงี้กันมากเลยเพราะฉะนั้นไอข้างนอกก็ทยานหาวัตถุเสพนักหนาไม่สุขสักทีไอข้างในก็ทุกใจก็เครียดไม่มีความสบายใจเลยใช่มเพราะฉะนั้นถ้าไปอย่างนี้แล้วมันจะ บรรลุจุดหมายชีวิตดีงามมันจะมีความสุขได้ยังไงไม่มีทางนะเพราะว่าใช้ความสามารถในทางที่ผิดนี่ก็รวมความก็คือมนุษย์ปัจจุบันนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาก็ใช้ความสามารถในทางที่ผิดนะข้างในตัวเองก็ปรุงแต่งทุกข์เอาอะไรแต่อะไรมาก็เก็บมาก็มาปรุงแต่งเรื่องความเครียดความกวนกระวายจนกระทั่งเป็นลักษณะสังคมยุคนี้เลยเป็นสังคมที่คนมีจิตใจเครียดมากนะ แล้วก็อาการปรุงแต่งนี่ก็มาจากความสัมพันธ์ในสังคมด้วยในการที่ว่าเป็นระบบแข่งขันแย่งชิงเรื่องของระบบสังคมก็มาหล่อหลอมจิตใจนะทำให้เพิ่มความเครียดยิ่งขึ้นลกลายเป็นทุกข์ในจิตใจและกล่าวออกมาระบายก็เป็นทุกข์แก่สังคมเพราะว่าคนที่มีทุกข์นี่ก็มีความโน้มเอียงในการที่จะระบายทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนะอันนี้ เราก็บอกว่าอา้าวให้ท่านเปลี่ยนซะให้ใช้ศักยภาพความสามารถในการปรุงแต่งเนี่ยมาปรุงแต่งสุขซะแทนที่จะปรุงแต่งทุกข์ก็ปรุงแต่งกุศลธรรมและปรุงแต่งความสุขก็สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยนถ้ามองในแง่ไม่ดีก็ทำให้ไม่สบายใจปรุงแต่งใจก็ทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักมองเราอาจจะหาประโยชน์จากมันได้ปรุงแต่งใจให้เป็นสุขก็ได้ใช่ หรือว่าสิ่งที่ได้พบ ไ, ได้เห็นมากมายจิตใจมักจะไปติดกับสิ่งกระทบที่ไม่สบายใจไม่ชอบใจอันนี้สิ่งที่น่าสบายใจไม่เก็บเอามาเราก็ไปเอาเก็บเอาสิ่งที่ดีๆน่าชอบใจสบายใจเอามามาปรุงแต่งจิตใจตัวเองหรืออะไรที่มันเข้ามาแล้วจะรบ ก, กวนจิตใจไม่มีประโยชน์เราก็ใช้สติกันมันเสียยเราไปละลึกเอาสิ่งที่ดีงามมา นี่พระพุทธเจ้าก็เลยสอนวิธีปรุงแต่งจิตนี่คือเรื่องของสมถะทั้งหมดเรื่องของสมถะกรรมฐานการฝึกสมาธิเรื่องจิตตภาวนานี้เป็นการที่ทําให้มนุษย์ได้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์ปรุงแต่งความสุขให้แก่นตนเองในภายในนะก็สร้างปรุงแต่งจิตภายในอย่างว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเลยอ่พุทธานุสติธรรมานุสติทําไมคุณไประลึกเรื่องไม่เข้าเรื่องล่ะ ทำให้ทุกข์โดยใจเหตุก็เอามาลึกเรื่องทีด่ดีๆดิถ้ายังนึกไม่ออกนะก็เอาละพุทธานุสติบ้างธรรมานุสติบ้างสังขานุสติบ้างศีลานุสติบ้างจารานุสติเทวตานุสติมรแม่แต่มรณ า, านุสติมรณัสติแระลึกถึงความตายก็ยังนา่าที่คนเขาว่าน่ากลัวนั้นระลึกเป็นมันก็ได้ความสุขเออแปลกดีเมื่อกันนะรู้จักใชยย้อยู่ในสมรจิการพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ ปรุงแต่งจิตในแง่ดีแล้วรู้จักเอาประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่เลวร้ายที่สุดที่เราไม่ชอบใจน่ากลัวที่สุดก็เอามาลึกก็ทำให้ใจสบายได้นะถ้าลรลึกเป็นตรงลงว่าพระพุทธเจ้าสอนเยอะนะแม้แต่หายใจคุณไม่รู้จะทำอะไรใจไม่สบายก็ใช้สติไม่เอาอารมณ์นั้นมานึกคิดคุณหายใจเป็นซะหายใจมาตลอดทุกวันไม่เคยหายใจโดยความรู้ไม่เคยหายใจเป็น หายใจเรื่อยเปื่อยไปหายใจตามอารมณ์เวลาโกรธก็หายใจแรงฟืดฟาดนะทําให้เสียสุขภาพหรือว่าเวลากลัวก็กลั้นหายใจจะทําให้หายใจไม่ได้ประโยชน์ก็หายใจให้เป็นหัดหายใจหายใจอย่างมีสติต่อมาก็เป็นประโยชน์กื่งกูลต่อร่างกายต่อสุขภาพด้ว ย, นะยแล้วเวลาไม่มีอะไรจะทําเดี๋ยวจะไปกลุ่มกังวลไปปรุงแต่งไม่เข้าเรื่อง ก็ไม่ต้องนึกอะไรก็กําหนดลมหายใจซะเนะี่ยเอาจิตอยู่กับลมหายใจใหายใจเข้าหายใจออกสบายๆหาย ใ, หใจสบายสม่ำเสมอได้ประโยชน์กับร่างกายตัวเองด้วยแล้วรักษาจิตใจทําให้จิตใจนั้นอยู่กับสติอยู่กับสิ่งที่ไม่มีโทษก็ไม่ปรุงแต่งในเรื่องร้ายไม่มีความทุกข์ด้วยนะีหรืออย่างปรุงแต่งให้ดีกว่านั้นอีกเวลาหายใจก็ปรุงแต่งไปด้วยว่าหายใจเข้า อะไรทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทําจิตให้โล่งเบาหายใจออกเนีเวลาหายใจเข้าก็ทําใจให้สบายชื่อบานผ่องใสเวลาหายใจออกก็ทําใจให้ปลอดโปร่งโล่งเบานีภาวนาใช้คำว่าภาวนาแบบภาษาไทยก็ได้ว่าเอามาใช้ปรุงแต่งเวลาปรุงเวลาหายใจก็ปรุงแต่งใจไปด้วยอย่างที่ว่านะฮะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งง่ายๆทําจิตเบิกบานหายใจเข้าทํา จิตโล่งเบาหายใจออกทำอย่างนี้ไปทำใจให้ตัวเองทำตามคําที่ว่าก็สบายมีความสุขไม่เอาเรื่องมาเครื่องมานึกมาคิดนะปรุงแต่งจิตนี่เยอะนะอย่างน้อยก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าทำใจให้มีปลาโมตความร่าเริงเบิกบานใจปิติความอิ่มใจปัะสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขความโล่งโปร่งเบาคล่องใจสะดวกใจ แล้วก็สมาธิความมีจิตสงบแ น, แน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ตัวไม่ถูกรบกวนด้วยอะไรทั้งสิ้นนะนี่อย่างนี้ถ้าได้ภาวะจิต5้าอย่างนี้ประจำอยู่ก็สบายมีความสุขนีก่ก็การปรุงแต่งเท่านั้นนะฮะใช้ความสามารถในการปรุงแต่งที่มนุษย์มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์อย่าไปปรุงแต่งให้เกิดโทษแก่ตนเองพอปรุงแต่งอย่างนี้แล้วก็จะไปเชื่อมกับการทาให้เกิดปัญญา พอจิตมันเป็นสมาธิจิตที่ดีเป็นบุกุศลนี่มันจะคิดอะไรแต่อะไรมันก็โล่งเบาก็คิดคล่องก็เอาจิตที่มีสมาธิจิตที่ดีนี้ไปใช้ประโยชน์ถ้าเรียกกันเป็นจิตที่เป็นกรรมนิยะจิตที่เหมาะกับการใช้งานก็ไปสู่การพัฒนาปัญญาแล้พัฒนาปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงตอนนี้แหละ ก็จะถึงสุขขั้นสุดท้ายเรียกว่าสุขเหนือปรุงแต่งแหละเมื่อกี้นี้สุขในขั้นปรุงแต่งนะพวกสมุท t ต่อไปสุขขั้นสุดท้ายสุขเกิดจากปัญญาเหนือปรุงแต่งเรียกว่าวิปัสนาเพอวิปัสนาตอนแรกก็ยังปรุงแต่งเอาปัญญามาปรุงแต่งจิตให้ก้าวไปในกุศลธรรมให้พ้นจากทุกข์ให้มีแต่ความสุขเป็นประจําใจจนกระทั่งพอปัญญานี้เจริญงอองามพรั่งพร้อมสมบูรณ์รู้เข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้ว